ท่านผู้รับฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกรัมดาท่านั่งหลายในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลก <c oughs> ความจริงการมาพูดนี้ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านบุคคลที่พูดว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกความจริงท่านช่วยแต่ว่าคนที่มองเห็นความช่วยเหลือจะอาจจะขอโทษเถิ คนที่เห็นความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่ว่าบางรายอาจจะไม่เห็นยังได้มาพูดบอกกว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกเลยมีการที่พูด น, นกันนี้ก็พูดแต่เฉพาะท่านที่ยังมองไม่เห็นบางทีท่านมองเห็นแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลก ผูพ้พูดจะได้บอกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมาสองพันปีเสร็จแล้ว <c oughs> แต่ชาวโลกที่รับรองหรือรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีหรือไม่สําหรับท่า น, น, นหลายที่รับความช่วยเหลือแล้วท่านเข้าใจแต่ท่านผู้พูดอาจจะเพิ่งเห็นโลกใหม่เกินไปยิงไม่เข้าใจในความช่วยเหลือของพุทธศาสนา ที่มาพูดนี้ก็ไม่ใช่ไปต่อ ว, ว่าต่อขานท่านแต่เป็นการพูดเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ความอยู่เป็นสุขร่วมกันถ้าเรามีความสามาัคคีกันเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่เป็นสุข <c oughs> หลังจากพูดเรื่องมือไวแล้วพระพุทธศาสนาก็สอนมาจงหยาใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการงาน มันก็หมายถึงว่าใจเร็วโดวยการยื้อแย่งความรักของคนอื่นโดยคคที่ไม่ค่อยควรพิจารณาซสก่อนว่าคนนี้เขามีคนรักแล้วหรือยังหรือ ว, ว่าคนนี้เขามีสามีมีพันยาแล้วหรือยังเขามีคู่ครองแล้วหรือยังเรื่อว่าใจเร็วเกินไปก่อนที่จะถามก่อนที่จะสืบ ก็ไ่ตกหลงยื้อยังคือสร้างความรักหรือความสร้างความสะเทือนใจทำลายจิตใจของบุคคลอื่นผู้เป็นเจ้าของรักเรื่องนี้หนักท่านผู้ฟังเม <c oughs> <c oughs> ื่อการหนักมากการทำลายจิตใจกันในด้านนี้รู้สึกว่าเวลานี้น่าหนังสือพิมพ์ มือข่าวอยู่เสมอๆว่าตายด้วยอำนาจความรักเดี๋ยวว่าตายเปรยที่นนเดีล้วก็ยกิงกันตายเดีวที่นี่เดี๋ยวว่าฆ่ากันตายที่นั่นแล้วก็ดีไม่ดีก็กำลังรอมยี่สิบเอ็ดอยู่ก็มีไมีเรื่องอะไรเรื่องใจเร็วกว่าจริงเรื่องทำลายจิตใจที่เรียกตัวว่าการเมสุมิสมาจานนั่นเป็นเป็นภาษาแขก ภาษาไทยบอกว่าถ้าหากว่าจะรักใครจะต้องการเป็นเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของครัสีก่อนื่องใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเพาะสา ม, มีหรือพัญญาใครคนที่อยู่ในปก ค, ครองทั้งหมดของใครก็ตามทีแต่าหากว่าเขามีเจ้าของผู้ปก ค, ครองคือลูกที่มีบิดามารดาปก ค, ครอง เป็นน้องที่มีพี่ปกครองหรือบุคคลที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของใครผู้นั้นเป็นผู้ปกครองถ้าจะร่วมรักในฐานะสามีภรรยาซิ่งกันเลยกันก็ควรจะขออนุญาตผู้ปกครองเขาเสก่อนจะได้ไม่เป็นการทําลายจิตใจสิ่งกันเลยกันการรับฟังอย่างนี้ขอท่านผู้ฟังจงคิดว่าท่านเองเป็นผู้ถูกกระทํามันถึงจะมีความรู้สึก การอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของผ่านผ่านแปลว่างโง่ผ่านแปลว่าเป็นผู้ประทุษร้ายก็ได้หรือว่าผ่านแปลว่าเป็นผู้ทําลายผ่านแปลว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนผ่านแปลว่าผู้สร้างศัตรูหมดเรื่องกันไปแยกแปลว่ายังไงก็ได้ นรวมท่าว่าผ่านแปลว่าไม่ดีถูกต้องกว่าเพราะไม่ดีจึิงเรียกว่าผ่านเอากบรมฐาไทยชัดๆถ้าดีก็ไม่เรียกว่าผ่านแล้วเมื่อการทำอย่างนี้ท่านลูกของเขาเขารักทาลูกเราเรารักไหมพี่น้องของเขาเขารักพี่น้องของเราเรารักไหม สามีพัญญาของเขาเขารักสามีพัญญาของเราเรารักไหมคนที่อยู่ในปกครองของเขาเขารักคนที่อยู่ในปกครองของเราเรารักไหมถ้าใครมาละเมิดสิทธิในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อถูกกระทําเข้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นอะไรลรา มันจะเกิดขึ้นบ้างผู้ทำก็ต้อง ร, ร้อนเพราะว่าอย่างน้อยดีสุดก็สร้างศัตรูคนที่เคยรักกันเคยที่คนชอบกันก็มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้อย่างไรในฐานะที่เราประกาศตนเป็นศัตรูกันทีแล้วมันก็แย่มีการประโยชของเราทีางไงก็ต้องขีดวงอยู่จะไปไหนก็ต้องเป็นกวางเหลียวหลัง ถ้าละมัดระวังเหลียวหน้าเหลียวหลังเกรงว่าพวกของเขาที่จองล้างจองผันญพวกเราเข้าไปทําลายความรักเพมาทําอันตรายเราอาการที่ยื้อแย่งความรักทําลายจิตใจของุคนลอื่นประเภทนี้มันเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วถ้าหากว่าท่านมีใจปกติท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความชั่วไอ้ชั่วนี่ก็แปลว่าไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีคนอื่นเขาไม่ชอบสิ่งที่ดีคนอื่นชอบเราก็ชอบเขาก็ชอบถ้าเราจะทำกับเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะทำกับเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงนี่พระพุทธเจ้าช่วยโลกแล้วช่วยคนมีความรักมีความสามัคคีสิ่งอะไรกั น, กนยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งอะไรกั น, กนแต่ทุกคน ถ้ายอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันและกันเสร็จแล้วไม่ละเมิดจิตใจสิ่งกันและกันถ้าทุกคนในโลกจะมีใครเป็นศัตรูกันบ้างไม่เมื่อต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างมีความรักกันเพราะเหตุนี้เป็นสําคัญเรื่อความไม่ใจเร็วโลกจะเป็นสุขหรือว่าโลกจะเป็นทุกข์ <c oughs> พวกมือไว้ก็ดีพวกใจเร็วก็ดีนี่ทำให้รัฐบาล หรือว่าพวกเราเองโตเสียเงินเสียค่าเบี้ยเสียกรกันเพราะว่าที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นกันเพราะว่าพวกนี้ไม่ยอมรับนับถือในสิทธิแหความรักสิ่งใดกั น, กนเป็นอันว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้ไม่มีจิตใจโหดรายไม่มือไวไม่ใจเร็ววณฒนธประเทศแม้แต่เหนือสตังค์าประมาณการจ่ายไม่ต้องมีเลย ่ะมีทำไมในมันโลกนี้มันมีแต่คนดีอย่าต้องไปจ้างคนเข้ามาปกครองเราเพื่อประโยชน์อะไรทำไมจ้างคนเขา้ามาช่วยสร้างเสริมความเจริญเอเงินค่าจ้างที่เราจ้างเป็นส่วนตัวมันไม่ได้มาสร้างวตัตถุมันไม่ได้มาเป็นถนนท่านทางไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ไม่ได้เป็นเครื่องบุพเพบริโภคเขาาไปใช้เป็นส่วนตัว ตัวหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ที่เราจ้างต่างว่ประมาณก็มีนับเป็นหมื่นล้านเพราะว่าจ้างนอกว่ประมาณก็มีที่เรียกว่าจ้างนอกว่ประมาณก็หมายความว่าบางทีเพื่อความสะดวกในการงาน <c oughs> ตอนเช้าวันที่ยี่สิบสายี่ิบสี่สิงหาคมเห็นสถานีวิทยุ ป, ปอต อ, อเขานั่งบน คือใครก็ไม่ทราบคุณเสกสรรมานั่งบนแทนคุณดุยบากูว่าอะไรเขตในกรุงเทพเกี่ยวกับ เ, เกี่ยวกับปัตรประชาชนอะไรไม่ทราบบางทีเขาไปเปลี่ยนบัตรชื่อเขียนให้แต่ว่าเปลี่ยนนามสกุลเสียบ้างแกก็บอกว่าตัวแกเองขึ้นไปบางทีคนระดับเสมียนก็ขตูตะคอก กุดหุนห้วนซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนี่มันเรื่องอะไรแต่เมื่อความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ตัางจ้างต้องจ้างคนเขาว่ามาควบคุมเรา มีเงินที่จ้างบุคคลควบคุมเนี่ยมีเงินบีเมียวัดมีเงินปีเงินเงินดาวมีเงินเดือนเงินทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่เขาไปใช่เฉพาะเป็นส่วนตัว <c oughs> ที่พูดอย่างีไม่ได้พูดให้ล้มรัฐบาลไม่พูดไม่ได้พูดให้ล้มกิจาการงานของรัฐพูดว่าถ้าคนเราดีเสียทั้งหมด ก็ไม่ต้องมีใครควบคุมร เ, เรื่องอะไรกันเงินจํานวนนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายเงินจํานวนนี้ไม่ต้องจ่ายเราจะมีความสุขขึ้นหรือ ว, ว่าเราจะมีความทุกข์ขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียมาเสียก่อนลงไปเราก็ทํางานเหนื่อยยากมีทํางานลําบากที่เราต้องให้เขาควบคุมกัเพาะพวกเราทั้งหมดนะดีเสียทุกคน คือคำว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าภาคสิทโบราณมีว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปฟังใหม่ท่านบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปพี่ว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าทําชั่วก็คิดว่าดีทําดีก็คิดว่าดีก็เลยหาคนชั่วก็ไม่ได้ แต่คนดีในด้านสร้างความเดือดร้อนมีมากจริงที่เจ้าต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเมื่อการจ้างคนควบคุมก็ต้องคิดเฉลี่ยกันเรอะไรกันโทษประเทศเอาเงนินจำนวนนั้นมาจ้างผู้ควบคุมเมื่อดีไม่ดีผู้ควบคุมเราเราก็ต้องจ้างต่ออีกเหมือนกันเพื่อผลงานของเราจะได้สะดวก ไม่งั้นมันก็ไม่สะดวกไม่ไม่เช่นนั้น ม, มันก็มีการล่าช้าดีไม่ดีก็มีการประวินเวลาขึ้นราคาของพิจารณีพิป็นกรณีพิเศษเอา้าวเราต้องการความพันดวงเราก็ต้องจ้างกันต่อไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาบอกแล้วอย่าโหดร้ายอย่ามือไวอย่าใจเร็ว ถ้าเราไม่มีจิตใจโหดร้ายมีความรักมีความเมตตาคุณาสงสารซึ่งกันและกันไม่มือไวไม่รักไม่ขโมยไม่ยื้ย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ประววณเวลาในการงานไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้บังคับบัญชาหรือไม่เว็นไม่ทาลายประโยชน์ของนายจ้างนายจ้างเขาจ้างมาให้เราทำงานแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ด้วยความรวดเร็วตามความสามารถที่เราจะเพิ่งทำได้ ไอการบริเเวลาเนี่ยมันทำลายงานของเขาประโยชน์เขาก็ตกไปเราก็ได้น้อยเพราไม่ใจเร็วไม่ยื้อแย่งความรักเขาบุคคลอื่นมีสันโดษยินดีแต่อย่าพ่อคนรักถ้ายังไม่มีคนรักก็หาคนรักที่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> ไม่ทำลายจิตใจเขาบุคคลใดคนทุกคนในโลกต้องการความรักทั้งหมดเพราะว่า เข้าจังหวะให้ถูกก็แล้วกันหรือ <c oughs> ว่าจะใช้ความรักแบบยักษ์รักนางอันนี้ไม่ถูกแล้อว่าคนรจะใช้ความรักแบบเ อ, อพระเอกรักนางยังไม่ใช้ได้นี็ก็ทํำยังไงแตนแบบยักษ์รักนางก็ได้การโสกฆ่าค่มขืนเช้าวันที่ยีบสี่สิงหาคมฟังข่าววิทยุ เ้าบอกว่ามีใครเพศสตรีใดก็ไม่ทราบเดินผ่านมาปรากฏว่ามีชายสองสามคนดึงเธอเข้าไปในป่าแต่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเมื่อเสกิจแล้วปลาเขาก็เธอก็ถูกฆ่าตายเนี่ยใจเร็วแบบเร็วร้ายแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยที่เราต้องจ้างคนเข้ามาปกครองเรามันก็เป็นแบบนี้ แตาหาว่าทำงานหลายปฏิบัติตามที่กติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำทรงช่วยเหลือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วแลวตหรวจก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องมีตำรวจจะจับไม่ต้องมีคุกไม่ต้อมีตารางไม่ต้อ ง, งจ้างให้คนเข้ามาตัดชิ้นหรืมาลงโทษเราเงนินที่เขามาทำให้เราได้ทั้งหมดทุกอย่างก็คือเองินของเราที่จ้างเขานั่นเอง ถ้าเราต่างคนต่างดีเท่าก็เราก็ไม่ต้องจ้างใครเข้ามาแล้วบางคนผู้ถูกจ้างมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราแล้วทํางานเพื่อเราในบางทีก็ต้องจ้างพิเศษเช่นกันก็ตามที่พูดมาแล้วในะสมัยที่เราว่ามือไวมือไวนี่ไม่เป็นเรื่องโอ้โหไร้กาดมากถ้าพูดไปกี่ร้อยปีมันก็ไม่จบ มาใจเร็วกัเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจังจงอย่าคบพ่านแต่รื่ความโหดร้ายก็ดีมือไวก็ดีใจเร็วก็ดีที่เราเรียกบอกบุคคลอื่นใดเขาเป็นอาการเช่นนั้นองค์สมเด็จก็ทรงท่านกล่าวว่าเขาเป็นผ่าน <c oughs> เมื่อเหน็นว่าเขาเป็นพ่านเราก็จงอย่าผ่านด้วยการคบคนเช่นนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่อยาก ถ้าถ้าเขาเป็นตัวบุคคลสําคัญใจของเราแล้วสิย้าย ใ, ใจเรามันมีรบอารมณ์ที่เป็นพัน่านทันดานหยาบแบบนี้มันแย่น่อยมันหลีกเลี่ยงอยากเพราะใจมันไปกับกายถ้าเรื่องของคนเอากายหนีได้เขาอยู่ตานนําบลนี้เราก็ไปอยู่ตําบล น, น, น้นเขาอยู่ประเทศนี้เราก็ไปอยู่ประเทศ น, น, น้นมันก็หมดเรื่อง สักที่พระอุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงยาคบพานก็คือยาคบอารมณ์ที่เป็นพานด้วยถ้าอารมณ์ของเราที่เป็นพานเป็นอารมณ์ที่มีความโหดร้ายเป็นอารมณ์ที่ต้องการให้มือไวเป็นอารมณ์ที่มีความต้องการให้ใจเร็วมันจะติดตัวเราไปเราจะหาความสุขไม่ได้เราจะมีแต่ศัตรูจะมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องความใจเร็วนี่ก็ทําลายเศรษฐกษิจของชาติ ค่าคนตายไปหนึ่งคนคนคนหนึ่งทำประโยชน์ได้กับโลกเท่าไรไม่ว่าคนคนหนึ่งที่จะเกิดมันได้มันเสียทรัพย์สินที่ดีดามันได้เขาต้องเลี้ยงดูไปแล้วเท่าไรแล้วการค่าคนตายหนึ่งคนสร้างความละทมใจให้กับคนกี่คนคนที่ระทมใจนั่นก็จะสิ้นกำลังใจในการทำงานทำการประเทศชาติก็ได้ประโยชน์และได้เสรยตรกิจ <c oughs> เมื่อฆ่าคนตายและทำร้ายสิ่งใดในการพร่อสายความใจเร็วเป็นสำคัญเราก็ต้องจ้างตำรวจมาจับอย่างที่ภาษาจ้างอายการสร้างโอ้ทุกอย่างทำลายไปหมดตัว น, นว า, ดว า, นะ า, าตดรวดร้อนและทางเศรษฐกิจของเราต้องสลายตัวไปแทนที่จะไปใช้ยาอื่นได้ไมันก็ไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธศาสนาเสรแล้วความเร็วไลท่ทางไหลเราอย่างนี้จะไม่ปรากฏขึ้น เรือ่อนี้ท่านเห็นได้ด้วยอย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่คนที่รับความช่วยเหลือหาไม่ได้หาได้แต่มีไม่มากบางทีก็เชื่อบางไม่เชื่อบางตอนเช้าเชื่อกลางวันไม่เชื่อกลางวันเชื่อตอนเย็นไม่เชื่อตอนเย็นเชื่อกลางคืนไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นบางท่านรู้ธรรมะธรรมโอดีพูดดีทุกอย่าง แต่ว่าอารมณ์ที่เป็นพานที่องค์สมบั็ิสมมาสมพุติเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามีในจิตเัราะเลกจากการพูดดีแล้วก็ทำชั่วทันทีได้เหมือนกันมีลักษณะพานถ้ามันฝังอยู่ที่ในใจแล้วก็มันร้ายกว่าอยู่ที่คนอื่นคนร้ายไม่สำคัญต้องคนอย่าให้ใจเราร้ายก็แล้วกันถ้าคนทุกคนถ้าใจเราไม่เป็นพานเสียหมดโลกนี้จะหาความเป็นพานไม่ได้เลย เมื่อพันไม่มีในโลกมันก็มีแต่มันดิบมันดิตก็ตแปลว่าคนดีเมื่อคนทุกคนดีหมดมีความรักกันซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ช้าซึ่งกันและกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นัางเลกเความจริงนี่เปนจุดเล็กๆในพุทธศาสนาช่วยมากกว่านี้ต่อไปต้อกล่าวว่าจงอย่าพูดปด จะไม่ดีนะใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดหมดสติเจ้าอย่าพูดปดวดเขาพูดปวดเพื่อ ว, วาจาที่ไม่จริงพูดที่ต้องแบ่งโด็สีประเภทคือพูดปวดพูดด้วยวาจาที่ไม่จริงหนึ่งพูดคำหยาบคำที่สร้างความสเทือนใจให้แก่บคุคคลผู้รับฟังสาเสียดยุยงสอนส อ, สอนใ้เขาแตกลาวกัน เพื่อเจอพูดไร้ประโยชน์อาการสีอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นลักษณะของผานคนพันุ์สร้างอาการสีอย่างให้เกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าท่านหลายเพ่อนพูดรับฟังเราต้องการเรื่องที่เป็นสาระเขาก็มาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง เราชอบวาจาอ่อนหวานแต่ว่าเขากล่าววาจาโหห้าคาหยาบคายเราต้องการความสามารถขีซึ่งกันละกันแต่ว่าเขายุยงส่งเสริมให้แตกกันเราต้องการวาจาที่เป็นประโยชน์แต่เขาก็พูดวาจาที่ร้ยประโยชน์เมื่อเราถูกเข้าอย่างนี้จิตใจของเราจะมีความสุขแลอมีความทุกข์ทุกคนตอบได้ถ้าไม่ฝืนอารมณ์ ก็ต้องแต่ว่ามันเป็นความทุกข์สิมันมันเขเป็นความปรารถนาที่ไม่สมหวังต้องการอยากจะถามว่าทางที่ไปข้างหน้านี้มีอันตรายไหมความจริงเป็นทางที่มีอันตรายแต่คนบอกบอกตรงกันข้ามบอกไม่มีอันตรายถ้าเราไปมันก็เจออันตรายเข้านี่เป็นวิชาที่พูดปดเราก็พบกับความเดือดร้อน ถ้าไปพบกับคนวายใจหยากเจอดหน้าคนดา่าโวยด่าวาย โ, ฮ โ, ฮโฮหโ ho หักเราก็ไม่สมบายใจถ้าไปเจอกลุ่มคนคนใดก็ตามเหม่เราอยากจะรักกันเกือบตายมายุยายนแต่งแสะให้บ้านทั้งบ้านเกิดความแตกเล้ากันบ้านนั้นจะมีความสุขและมีความทุกข์อย่างนี้เพราะนั้นว่าลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าลักษณะของผัน จงอย่าคบหาสมาคมกับคนที่มีอาการอย่างนั้นถ้าเราครบเข้าเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้านรอนแต่ว่าส่วนสําคัญองค์สมเด็จพระทรงทรทรงแนะนํำบอกว่าจงยาวใจเข้าไปคบลักษณะอาการอย่างนี้ไว้ในใจด้วยท่านนี้พ่อะหญ่พูว่าถ้าเราไปเอาใจเข้าไปคบอาการอย่างนี้ไว้ในใจ มันมีความร้ายยิ่งกว่าคบคนที่มีลักษณะอย่างนั้นว่าใจของเราเองมันเป็นพาณนียไปไหนมันก็ไปด้วยเราเองจะมีแต่ความระท <c oughs> มพล้วลักษณะคอาการที่มีวาจาไม่ดีนี่ก็เหมือนกันที่เราจะต้องจ้างชาวบ้านเขามาเป็นเจ้านายเราขอพูกว่าจ้างมาเป็นเจ้านายเถอะย้ายพวกว่าจ้างมาเป็นผู้รับใช้เลย ทำขััญัองเขาว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนท่านพู้แทนเป็นผู้รับใช้ปวนชนในเขตนั้นเรื่องนี้ท่านรับใช้จริงๆแต่เวลาที่เราจะใช้ท่านนะสิเราต้องจ้างท่านเนี่ยเพราะว่าภาเสียก่อนของเราต้องเสียไปเพ่เงินเดือนเงินดาวของท่าน เราต้องใช้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเมื่อท่านรับใช้เราเราก็ให้ท่านเป็นการเกื่อกูลซึ่งกันและกันมันก็เกิดประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวรนโกปฏิวันท่านังผู้ไหว้ต้องย่อมในไหวต้ตอบบูชาและปฏิบูชงผูู้ชาแล้วการบูชาตอบอันนี้ก็ถูกไม่น่ารังเกียจท่านรับใช้เราเราใช้ท่านก็ให้ท่านใช้เราบ้าง หมายความทั้งท่านต้องเสียประโยชน์ในกิจกายงานท่านหยิบเงินได้มารับใช้งายง่ายของเราเราก็เกื้อกูลให้แก่ท่านตามสมควรกับผลงานที่ท่านหยิบเงทํทำอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าเราวังอีกตอนหนึ่งเมื่อท่านรับผลรับรับเงินจากที่เราจ้างท่านอันดับแรกแรกแล้วเมื่อท่านเข้ามาประจำหน้าที่ก็บางทีเราก็ต้องจ้างทาอีกครั้งหนึ่ง เพราะอะไรก็เพราะว่างานมันช้าท่านบอกว่หนักโอ้โหต้องเรียงคิวกันไองานชิ้นนี้มันนามันมากมายต้องรอคิวกันก่อนแต่พอบางทีจ้างใหม่ครั้งหนึง่งงานเร็วได้เหมือนกันลดคิวได้มีรประสบการณ์เขามรนดาประชาชนมีมา ม, ามา้างเสมอระผู้มีรพระภาตเจ้าโดยส่วนต่าง ว่าจงเป็นผู้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันรักกันเสียสงสารกันต่างคนต่างเลื่อกูลซึ่งกันและกันผู้จ้างก็จงคิดว่าเราเขาไม่ทํางานให้เราเราก็ลาบากเพราะว่ามันเป็นงานส่วนรวมเขาต้องเสียเวลากิจกงานในอื่นเราเสียค่าจ้างก็เป็นการสมควรผู้รับจ้างจงเห็นนายจ้างว่าเป็นผู้ที่ท่าน ก็เกื้อกูลในท่านท่านก็เกื้อกูลตอบถ้าเวลาขึ้นไปก็อย่าไปวิงเวลาเวลาเข้าไปหาก็อย่าไ ป, ประวิงเวลาให้มันมากนักเพื่อมีลีลาเป็นจนมีพิเศษให้เกินไปความเดือดร้อนมันจะมีมาภายหลังเมื่อบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่แช่นท่านช่วยรับความช่วยเหลือพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่า พระพุทธศสาสนาบอกว่าจงอย่ามีจิตใจหดร้ายจงอย่ามือวอย่าใจเร็วอย่าพูดปดเสียงทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบระมสุขตกล่าวว่าเป็นพานพระมันสร้างความทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายสามารถขับไล่เสียงเร็วล่ายทั้งสี่ประการนี้พ้นไปจากใจท่านแล้วได้อย่าง ถ้ายังก็แสแดงว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่ว่าท่านยังไม่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาเาหรับวันนี้ก็ไม่หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลังมีแบบบรรดาทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี